เป็นไงบ้างทำวัดจบส่วนมงคลจูดงงเหงาหานอนอยู่ไหมอากาศเย็นเราก็ตื่นมาทำความเพียรกันเป็นมงคลจิตของเรามีกายมีใจ มีร่างกายกลับมาเป็นมรรคเป็นผลมาเป็นความรู้สึกเรามีจิตใจกลมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเรามีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญากลมาเป็นเครื่องมือ สู่การพ้นทุกข์เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ก็อาลงออกจากความทุกข์เป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลมรรคก็คือรู้สึกตัวผลก็คือรู้ะปล่อยละ ว, วางแนวหลวงปู่เตียนยังมีการเคลื่อนไม้เคื่อนมือเดินยงกลมเป็นจังหวะมันรู้ปล่อยรู้วาง มันมันวางก็ว่างสภาวะของความว่างมันก็เป็นผลจากการวางการปล่อยจากการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ว่างก็นั่นหมายถึงว่ามันเป็นธรรมะเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลไปตลอดเวล่มเวลา ก็เป็นของเขาอย่างนั้นมานานแล้วในช่วงชีวิตของเราก็ไม่กี่ปีหรอกอย่างเก่งก็ไม่เกินหนึ่งกับรยี่สิปีก็หายากแล้วร้อยปีกแ็ แ, กแย่แล้วเกสิปีก็แย่แล้วเผลอๆสี่สิปีก็ตายแล้ว อย่างคุณวรลเวศครั้งที่แล้วนะจะให้ไปสอนปฏิบัติที่บระเบอ ท, อที่สละคามแต่ท้ายสุดก็เมื่อคืนวานก็เสียชีวิตแล้วมันไม่ทันชีวิตบางทีมันก็ไม่ได้ยาวอย่างที่เราคิดกันหรอกบังว่าจะอยู่ไปนานๆอย่างี้ สภาสิทธิทเบศก็บอกไม่รู้ว่าพรุงนี้นะรว่าชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันนะมันประมาทไม่ได้เลยชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราก้าวมาสู่วนะัดป่าสุขโตนะได้รับรู้รับทราบข้อมูลในการปฏิบัตินะเราก็มาฝึกมหาหัากันนะก็ไม่ได้มาหาอยู่หา หับหานอนมีความสุขการหลับการ น, นอนมีความสุขการรับประทานอาหารมีความสุขการอยู่ธรรมชาติของวัดป่าสุขโตติมเกอร์กูนแต่เรามาอยู่มาพักเพื่อที่จะไนะก่ชิดกับครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่ออมเขียนท่านมีคําพูดตัวตนของท่านยังมีอยู่จริงหลวงปู่เทียนกับมรณภาพไปแล้วมีแต่คําพูด สมเด็จสัมมาวุเจ้าก็ดับขันปรินิพานไปแล้วเหลือแต่คำเพีอย่างที่เราสวดนี่ก็เป็นมงคลสูตรมีคนไปถามพุทธองค์จะใช้ชีวิตยังไงให้มีความก้าวหน้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองมันเป็นเป้าหมายมันเป็นเครื่องหมาย ที่แต่ละก้าวแต่ละกนะ้าวของการเดินทางตัวความตายหรือว่าทุกลมหายใจเข้าออกในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะพึงกระทำาผู้ต้งก็ได้บอกเอาไว้นะต้องทำยังไงมัางทักษะสตนะิขาดความรู้สึกตัวซึ่งเป็นพ่อแม่ของกุศลธรรมทั้งหมด เกิดการทำดีปล่อยวางความดีดีก็เป็นสุขดีก็เป็นทุกข์เพราะว่าทำดีไม่ถึงดีทำดีไม่ถูกกาลเทศะทำดีไม่ถูกคนดีก็อาจะเป็นพิษเป็นภัยได้ทำดีไม่ถูกดี รู้รู้ไม่ถูกก็ <mới> เป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ระรู้ถูกเหมาะกาลเทศสถานาฐานะหน้าที่หน้าที่ที่มันอยู่ตรงหน้าคณะต่อคนณะเปลี่ยนลายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ภาวะของผู้รู้ สติเลือกรู้รู้ผิดรู้ถูกเรียนผิดเรียนถูกท้ายสุดเลือกเป็นมันก็เป็นผลจากการปฏิบัตินี่แหละความรู้สึกตัวที่รู้ระว่างรู้ระหว่างรู้แล้วละรู้แล้วละเพราะนั้นวิธีรู้คือให้รู้เป็นจุดไข่ปลารู้เป็นขณะไม่ช้าไม่ไว วิาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งเวลาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งรู้เป็นจังหวะรู้เป็นจังหวะรู้เป็นจังหวะไม่รู้แบบรู้ตามอย่างเงี้ยมันจะเป็นสมาธิให้รู้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดรู้เป็นกันนะเป็นกันนะเป็นกันนะเราก็จะเห็นหน้าการของจิตที่มีเจตนากําหนด ใหม่ๆเลยนะทุกครั้งที่กําหนดมีเจตนากําหนดปัจจุบันที่กายมันรู้สึกก็จะชัดตรงไปตรงมาปกจิก็เริ่มคล่องตัวว่องไวมีอาการของสติที่เป็นสติประฐานจริงๆก็จะสังเกตเห็นอาการปกติมันเด่นขึ้นมาความเป็นธรรมดาธรรมดารู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนะี่ย เมื่อก่อนรู้ล้วมจะเอารู้แล้วก็จะมีตัวเราเข้าไปรู้ <c oughs> เราเราเขาเขานั่นของเขานี่ของเราอันนั้นของเขาเอาของเขามาเป็นของเรา <c oughs> อันนี้ของเราของเราไม่ให้เขาก็เรียกวเห็นแก่ตัว <c oughs> อันนี้ของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์ตอนประโยชน์ท่าน อันนี้เขรียกว่ามีปัญญามีความเมตตารุ้นา่าไม่ตาเบียกขาจนท้ายสุดมันมีของเราไม่มีแต่ของกลางมีแต่ของกู <S <S <S ชีวิตก็เลยง่ายแล้วนะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราปฏิบัติธรรมมันก็เห็นอย่างนั้นเอาไม่อยู่จริงๆต้องไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย ป่วยกายจิต ด, ดมอมทาหาหมอผ่าตัดแต่ท้ายสุดก็ไม่อยู่ mm hmm. บางโรคลักษาก็หายบางโรครักษาก็ไม่หายบางโรครักษาก็ตายไม่รักษาก็ตาย mm hmm. บางโรคลักษากหายไม่รักษากตาย mm hmm. ส่วนจิตนะ มันไม่ใช่ฉีดเดมอมทาหาหมอใช้ยูกใช้ยาแต่เป็นปัญญาทุกครั้งที่ทุกข์ความคิดต้องกลับมารู้สึกตัวนะฐานกายจึงเป็นนะต้นทางของการปฏิบัติการเคลื่อนการไหวทำเป็นมัน ม, มีปัญหาสติปัฏฐานจะไปเห็นจิตที่มันเคลื่อนไหวเหมือนกันเลยเพราะความคิดความคิดนะ มันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมีปัญหามากเลยตัวนี้ที่ยิบเลยไอ้ตัวที่คิดเจตนาคิดไม่ได้เป็นปัญหาเลยเอาไปทำงานทำการเอาไปแก้ปัญหาเอาไปตอบโจทย์เป็นประโยชน์มากๆคิดแล้วพูดคิดแล้วทำกลายเป็นมงคลสามสิบแปด เกดความดีความงามขึ้นมาท้ายสุดก็ปลยวางความดีความงามความดีความงามก็เป็นคุณธรรมจยธรรมศิลธรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆสังคมนิยมประชานิยมยึดติดก็ไม่ได้ท้ายสุดติดดีก็ไปแค่เทวดาแค่พรอมติดบุญกลายเป็นคนบ้าบุญท้ายสุดก็เดินทางต่อไม่ได้ทุกๆุกสารหนาสอน ให้ละชั่วทำดีแต่ว่าพุทธศาสนานี้เด่นตรงที่ว่ามีการชำระจิตเพื่อเข้าถึงนะชีวิตสุดท้ายนะที่สามารถตัดภพชาตินะวัตสงสารนะเข้าสู่วิมุตตหลุดพน้นะจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงจนะิ่งใดนะที่เป็นสินที่ทำให้เกิดภพชาติขึ้นมา พบภูมิเปรตสนนลกอสูลกายเดลฉานเป็นอบายภูมิเทวดาพรหมเป็นสุขติภูมิอันี้มันมีพระมีพระอริยะอีกนะอันนี้เป็นสุขโตไปแล้วด้วยดีความรู้สึกตัวพาพาไปทุกครั้งที่รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึ ก, สกไม่กี่หอเช้าสายบ่ายคำ่ำ มันเกี่ยวกับรู้สึกตัวทําเป็นไหมเตื่นขึ้นมารู้สึกตัวไหมลุกขึ้นมารู้สึกตัวไหมตอนตื่น เ, เช้าตื่นขึ้นมามันคิดก่อนหรือว่ามันรู้สึกตัวก่อนเนี่ยเราก็ฝึกหัดกันอย่างนี้แหละจนทั้งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวพับพ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งรู้สึกตัว เปิดประตูรู้สึกตัวไขกุญแจรู้สึกตัวล้างหน้าล้างตาต่างๆรู้สึกตัวเดินมาทำวัดก็รู้สึกตัวนั่งทำวัดอ่านหนังสือมีความรู้สึกตัวกันแน่นอนนะความหลงก็ต้องมีแต่เราก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้เองน่ะ น, นะหลงเราก็รู้ว่าหลงรู้เราก็รู้ว่ารู้มันคิดไปแล้วก็รู้ มันปรุงแต่งเราก็รู้นั่งเจ็บปวดเมื่อยเราก็รู้มันหนาวมันเย็นเราก็รู้เสร็จแล้วเราเจตนาเคลื่อนเราก็ยิ่งรู้เลยมันมีแต่รู้นะที่เด่นออกเด่นออกเด่นออกขยายผลออกมามันก็ทำหน้าที่อย่างถูกต้องนั่นแหละทุกๆขณะหน้าที่นักกรรมาฐานขณะนี้กำลังฝึกกัดเรียนรู้มันก็ใส่ใจกับบทเรียน นิสัยความเคยชินเก่าๆนะความคิดวิตกกังวลเก่าๆเรียว่าปริพเทเรากพยายามวางเช่นห่วงโลกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงงานห่วงทรัพย์ห่วงสุขภาพต่างๆเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะมาอยู่วัดป่าสู่ตัวจึงอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้อยู่ไปวันๆไม่หวังว่าจะได้อะไรเพราะทำมามันหวังไม่ได้ หวังว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นมันไม่ได้ธรรมะมันได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดธรรมะมันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกตัวที่ฐานกายจะเป็นกุญแจดอกเอกที่จะไขรหัสของชีวิตทั้งหมดความสุขความทุกข์ก็เกิดที่กายจิตก็ต้องอาศาัยกายอยู่ ธรรมชาติต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รับรู้สึกได้ระบบประสาทของกายรู้สึกได้เรีอยก็เรียกวิญญาณวิญญา ณ, ญญาณกายแวิญญาณก็รู้สึกทางกายจากสู่วิญญาณก็รู้ได้ทางตาก็ระบบประสาทของตาก็มีโสตวิญญาณ วิญญาณของหูคานนวิญญาณระบบของจมูกชีวหาวิญญาณระบบของริ้นที่รับรู้รสชาติต่างๆมันก็จะเป็นทวารที่พาสุขพาทุกข์เข้ามาตลอดเวลานะถ้ารู้ไม่ทันนะถ้ารู้สึกตัวทันมันก็กลายเป็นประโยชน์ได้อยู่ในโลก ได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับโลกแล้วก็ไม่ติดโลกเห็นก็สอดวายเห็นได้ยินก็สอดาได้ยินมาลู้ปล่อยรู้วางเป็นตัวปล่อยตัววางตัวเดียวกันที่เราเคลื่อนมือรู้สึกรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้วางก็รู้บ้างรู้วางก็รู้บ้างรู้วางก็รู้บ้าง มันก็จึงสนุกตรงเนี้ยเวลาเราฝึกหัดปฏิบัติก็เห็นจิตเขาแว บ, บไปแว บ, บมาอย่างเช่นตอนนี้เราฟังภาษาไทยเสียงมากระทบทางหูเรารู้เรื่องบางประโยคบางภาษาจะไม่รู้เรื่องตะเป็นคนต่างชาติคนจีนคนญี่ปุ่นก็ไม่รู้เรื่องในนี้ก็มีเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ เขาก็เดินลงไปแต่คนไทยเราก็นั่งอยู่ถึงฟังไม่รู้ก็ทนเพราะว่าภาษาไทยมันก็รู้แต่ว่ามันรู้ภาษาคนแต่ไม่รู้ภาษาอาการที่มีอยู่ภายในตัวเราภาษาอาการที่มันมีอยู่ในตัวเราเป็นภาษาของธรรมชาตินั่งอาการเจ็บปวดเมื่อยนะคือธรรมชาติแล้วเราเกี่ยวข้องอยังไงโอยไม่ไหวแย่ รู้ว่ารู้อยู่วมันปวดเป็นสภาวะของการหลุดพ้นที่เกิดขึ้นมาขณะที่รู้สภาวะของผู้ดูรับไหวระวงอย่างเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะมีสติปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขจิตคิดนึกไปขณะนั่งอยู่ที่นี่จิตคิดนึกไปปรุงแต่งไปเราได้รู้เท่ารู้ทันสภาวะเหล่านี้หรือไม่เกิดความพอใจไม่พอใจ เรารู้สึกตัวหรือไม่มันจึงเป็นนะบทบาทหน้าที่นะที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องใส่ใจนะใส่ใจในหน้าที่กรรมฐานนักกรรมฐานเป็นมืออาชีพนะเราจะได้ทำหน้าที่นะอย่างถูกต้องเราไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวเช่นอีกวันสองวันนี้จะเป็นวันวาเลนไทย วาเลนไทน์ตอนนี้สังคมก็ปลุกเล้านะมีสินค้าวันวาเลนไทนะ์มีกิจกรรมในวันวาเลนไทน์ต่างๆเอามปเป็ น, ว, นวันแห่งความรักนะจริงๆแล้วมันเป็นวันตายนะของนักบุญวาเลนไทนะ์เป็นวันตายมันไปงานศพระลึกถึงทำบุญร้อยปี แต่สังคมไทยเาเป็นวันแห่งความรักกันมีการให้ดอกกุหลาบสีแดงเข้มไปเลี้ยงสังสรรค์กันเมาเหล้ากินเหล้าเมายาเราทำหน้าที่อย่างไรกันหน้าที่ก็ต่อคูบาจารหน้าที่ต่อพ่อแม่หน้าที่ต่อเพื่อนหน้าที่ต่ออย่าสนิทมิตรสหาย หน้าที่ต่อสามีภรรยาเราทำหน้าที่อย่างไรกันได้ผ่านความรู้สึกตัวผ่านสติผ่านปัญญาหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นว่าหน้าที่ของเราบางคนมีชีวิตคู่วันเกิดเราได้ใส่ใจกันมากน้อยแค่ไหนให้รับให้เครื่องประดับ ให้คำอวยพรดีๆกันหรือเปล่าตอนใหม่ๆเราอาจจะให้กันตอนสบายเป็นเพื่อนมีมิตรภาพที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นปัญหาสังคมมากสังคมเปลี่ยนไปครอบครัวยาล้างแตกล้าวกันมากพราไม่ชวนกันปฏิบัติธรรมมีกิ๊ก มีคนสองสามสี่ห้ามากมายที่ก็ามาแทรกแซงบางทีเราก็เผลอหลงลืมไปวันเกิดของภรรยาเราก็จําไม่ได้มันเกิดของสามีเราก็จาไม่ได้บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยมีปัญหามากมายมาที่นี่ก็เพราะว่าครอบครัวล่มสลายผู้ชายหลายคนบางทีวันเกิดภรรยาเนี่ย จะเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยกันบนีันเกิด mm hmm. ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจ mm hmm. ซื้อขนอมครกไปให้เป็นของขวัญวันเกิดเมีย mm hmm. น้อยหรือว่ากิ๊กเนี่ยซื้อขนอมเค้กไปให้เป็นของขวัญวันเกิด เมียน้อยซื้อแหวนเพชรแหวนพลอยไปให้เมียหลวงเจ้าแหวนพระไปให้เมียน้อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเมียหลวงสัตเพสสัตตายสัตว์ตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเงี้ยสังคมไทยทำไมไม่เหมือนกันยังไงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ถ้าเราฝึกความรู้เนรู้ตัวโดวยเฉพาะความคิดน่ยที่เคยทาให้เราทุกข์น่ยเราจะเห็นชัดเลยมันเกิดขึ้นทีหยิบเลยเวลาเข้ากรรมฐานเหมือนกับรูปแบบมันไปกวนกวนกวนกว น, กวนมีความคิดมีการปรุงแต่งเมียล ม, มีความรู้สึกแสดงออกนะแต่มันเป็นนามธรรมก็เรียกว่านามรูปนามรูปภาษาธรรมมก็บอกใครที่รู้นามรูปตรงนี้ มันมียานเกิดขึ้นมาแล้วเขาเรียกนามรู้ทเฉทญาณ น, นามรู้ที่เฉทญาณมันจะรู้การเคลื่อนไหวของจิตคิดนึกปรุงแต่งนะจ๊ะยังว่าได้หลักอะไรหรอกนะแต่ว่ามีชื่อเรียกอยู่การรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจมันแวบคิดขึ้นมานะ่ยมันเกิดยานยานก็คือชื่อของปัญญานั่นแหละ เรื่องปัญญาขนส่งเราเคยยึดกายเราเคยยึดความคิดเงี้ยมันรู้นะมันรู้ว่าคิดมันเห็นความคิดแล้วก็ชัดด้วยจนไม่ทุกนาคาเหล่านั้นมันเป็นการสลัดคืนทุกกายก็เรื่องของกายจะต้องให้จิตมันทุกทําไมเรื่องของจิตก็ทุกแต่จิตสิทำไมจะต้องมาทุกที่กายด้วย บางทีกายเราป่วยไม่สบายจิตก็มีปัญหาไปด้วยบางทีจิตเรามีปัญหามีอุปทานคิดว่าจะเป็นไอ้นั่นไอ้นี่นอนเป็นโรค ก, กายไม่ป่วยก็เลยป่วยตามไปด้วยมันเบียดเบียนกันแต่พอเราเริ่มรู้อันนี้เรื่องของกาย น, นี่เรื่องของจิตนอันนี้คือกายอันนี้คือความคิดมันเริ่มแล้วล่ะด้คําตอบของชีวิตเบื้องต้นแล้ว เราก็ยิ่งเห็นชัดเจนในอาการต่างๆที่เกิดเกี่ยวข้องกับร่างกายทุกของกายโรคของกายรูปโรคนามโรครูปทุกนามทุกขรูปสมมติบัญญัตินามสมมติบัญญัติเต็มเลยที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อเราหลง ครั้งใดไม่รู้สึกตัวครั้งใดมันเข้าไปในกายในใจเข้าไปในขันห้ายึดเอาขันห้าเป็นเรามันแตกฉานไปเลยมันเห็นอาการยึดอาการปล่อยอาการวางยึดก็หนักแบกแว่ทุกข์ปล่อยก็เบาวางก็เบายิ่งวางยิ่งดีมีสติลึกถึงความว่างตัวว่างความว่างเป็นเครื่องระลึกของสติ ไม่เข้าไปในความว่างยึดเอาความว่างมาเป็นกูว่างไงเดีย๋ยวจะกลายเป็นคิดรู้ยมันกลายเป็นว่าเออรู้ว่าว่างรู้ว่าไม่ว่างตอนไม่ว่างก็เป็นการทําหน้าที่คิดแล้วพูดคิดแล้วทำมันไม่ว่างแล้วมันต้องทํากูส่วนทั้งปวงต้องทำเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนวันนี้นะผู้ใหม่ที่เริ่มต้นปฏิบัติเช้านี้เป็นเช้าแรกนะสังเกต ขณะปฏิบัติเนี่ยวางกายวางใจก่อนระดับแรกวางยังไงก็คือมันดูผ่อนคลายไม่เหมือนกับเพลงจ้องจี้เก๊กเก่งนี่นะหาจุดนี้ก่อนรู้สึกธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวนี้เลยหาเดี๋ยวนี้เลยมันมีสภาวะที่รู้สึกว่าไม่แปลกแยกนไม่รู้สึกว่ามีภัยรู้สึกว่าไว้วางใจ น, งนั่งที่นี่รู้สึกสนิทใจกับทุกๆอย่างผ่อนคลายเสร็จแล้วเราก็พลิกมือธรรมดาธรรมดานี่แหละ เดินจงกงก็เดินไปธรรมดาธรรมดานี่แหละเดี๋ยวสังเกตเห็นมันจะมีอาการยึดเข้ายึดเข้ายึดเข้ายึดเข้ามันก็ทำงานอ่ะนะใหม่ๆเราทำมันก็จะบายผ่อนคลายทำได้เรื่อยๆจนมีอารมณ์ปฏิบัติงานเกิดขึ้นมารู้สึกเพลิดเพลินสนุกรื่นเริงกับการกระทำหน้าที่สักพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่าเกลง็งหรือว่าต้องการพักผ่อน แต่งานเราต้องการผลงานให้เสร็จมันก็เลยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็เกรงเข้าเกรงเข่าเหนื่อยล้าอย่างเงี้ยกลายเป็นเครียดไปเลยกับการทำงานท้ายสุดนต้องมีวันลาพักร้อ น, อ น, นเราไม่ต้องรอวันพักร้อนนะทำไปวางไปทำไปเรื่อยๆไม่ต้องมารีดไม่ต้องรีบร้อนทุกครั้งที่รู้สึกนั่นคือการเดินทางอยู่แล้วทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวเราก็ใส่ใจลงไปเบาๆ รู้เบาเรู้แบบเหมือนกับตัวกายของเราเป็นหนังตะลงุงตัวกายของเราเป็นเครื่องยนต์หุ่นยนนี่จิตเป็นคนที่ดึงขึ้นมาเบาเเป็นจิตที่มีสติแล้วก็วางจิตวางใจถูกต้องก็เป็นสติปัฏฐานเลยเป็นวิปัสสนาไปเลยถ้าปฏิบัติเกรงๆงเพ่งเพงมันจะเป็นตัวสมมาตให้สังเกตเอากันล้วกัน อย่างนี้นะก็พูดให้ฟังนะสําหรับคนใหม่ได้เป็นแนวทางเล็กๆส่วนคนเก่านะก็ไอ้สังเกตบทสวจวันนี้มีความหมายมงคลตําบลนะแต่หากว่าทําแล้วก็มันเหมือนกับไม่เดินหน้าเหมือนกับบันตันไม่รู้อะไรนะหรือว่าถ้าหยุดมันก็จะถอยหยุดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมันทําแล้วก็เฉยๆคงทีนะ่ไม่พัฒนานะ ก็ให้ไปทําดีสักอย่างหนึ่งเลือกเลยทําดีสักอย่างหนึ่งไปล้างห้องน้ําก็ได้นะหรือว่าเอาไม้ถูพื้นนะไต่ถุนสลาหอไต่หนะ่ะถูพื้นก็ไดนะ้มีเสื้อผ้าแช่ไว้ไปซักก็ได้หรือว่าไปช่วยเขาแกะเม็ดมะขามก็ได้นะมีกลุ่มแกะเม็ดมะขามอยู่มีอยู่หลายก็สอบอยู่หรอกนะนะตรงด้านท้ายสไลา์เนี่ยเวลาเซ็งเซงกับการบริษัทคนเก่าๆนะ เก่าๆไปนั่งช่วยแก้เม็ดมะขามมันจะได้หมดหมดสักทีตรงนั้นเน่ะมันเยอะมากเลยหรือว่าไปหาเก็บขยะรอบวัดก็ได้มันมากเหลือเกินขยะโยนกันไว้กล่องนมนะตามทางเดินกลางๆตรงพลาติกเนี่ยกระดาษทิชชู่เน่ยเก็บซะหรือว่างานการมากมาย้เก้าอีนะ้บางทีก็ตากแดดตากลมมาไว้นะผูหมดกรอบก็ยีพติก ไปหาเก็บมาไว้ให้มนถูกที่ถูกทางริงเหล่านี้แหละคือมงคลไม่ใช่อั ป, ปมงคลถ้าทำละจิตเป็นมงคลมันก็ตื่นเกิดการพัฒนาละมันอกมันใจหายสงสัยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หยาบอารมณ์กลางอารมณ์ละเอียดมันหายสงสัยสติมันทำให้เราตัดทันทีทุกครั้งที่รู้สึกตัวนั่นก็คืออารมณ์ยางหยาบ ทุกอย่างหยาบความโลภความกูดความหลงในกิเลสอย่างหยาบนะีมันตัดลงทันทีและลงทันทีปล่อยวางลงทันทีทุกครั้งที่รู้สึกที่ฐานกายเกิดศีลขึ้นมาความเป็นปกติก็เด่นขึ้นมาก็เห็นจิตเป็นปกติมันจะเป็นคนดีคนชัว่วอะไรมันธรรมดาธรรมดาคนสามัญธรรมดามันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเวลาจะทําอะไรมันทําจริงจนะมาที่ตัวเนี่ยทำแล้วมีความสําเร็จมีฤทธินะ์พอสมควรทีเดียว เกิดความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมีปัญญาคมสมาธินี่กําจัดกิเลสอย่างการคือนี่เวลาเรมทำความงอกง่วงงงเห ง, งาหงนอนเนี่ยอันนี้คือต้องมีตัวสมาธินะสมาธิคือ ก, การรู้สึกตัวเนียที่ฐานกายตั้งมั่นจริงๆมันจะเกิดปิติขึ้นมานมันจะเกิดจิตตื่นขึ้นมาจิตโล่งขึ้นม า, จ, นมาจิตเบาขึ้นมามันไม่ง่วงหรอกตรงเนี้ยก็ทําให้ถึงสมาธิ ต่อมาเมื่อมีสมาธิขึ้นมาจะมีความสงบมีความสุขมีพิธีเกิดขึ้นมาอะเนี้ยมันจะติดต้องมีปัญญารู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยติดไม่ได้ถ้าติดก็เท่ก็ติดดีนะนะติดดีก็ติดบุญนะนะเมื่อติดบุญมันบ้ า, บ, า, บ, าบุญก็ทําแหลกนะเห็นอะไรมันก็ขวางหูขวางตาตลอดที่นะ้แล้วกลายเป็นทะเลาะอะไรก็เนี้ยพออีกคนเขาก็ธรรมดาธรรมชาติของเขาอน แต่เราไปติดดีไปแยงก็เยงี้เขาก็ทุกข์ใจเหมือนกันและอีกอย่างก็คือมันไม่ใช่เวลามันไม่ใช่เวลาหรือไม่ใช่กาแล้วเทสะอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ต้องการให้เราบอกไม่ต้องการให้เราชี้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องการคนที่เขาเหมือนกับว่าเคารพนะหรือว่ามีความดีต่อกันมายาวนานแล้วบุพกรรมมาที่วาสนาก็สามารถบอกกันได้อะไนี้น มันก็จึงอยู่ด้วยปัญญาดีก็ไม่เอาเหมือนกันละเพราะนั้นจะมีการรู้ทั้งๆตัวรู้ดีมันก็วางรู้มีการรู้มีการวางรู้แล้วกันละรู้แล้วกละมันก็จึงเป็นวิธีการสร้างจังหวะนี่เองหนึ่งจังหวะมีเคลื่อนมีหยุดมีเคลื่อนมีหยุดถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าหยุดเราก็จะไม่เคลื่อนต่อไปทุกครั้งที่เคลื่อนรู้ว่าเคลื่อนหยุดรู้ว่าหยุด มันก็จะทําให้เราปฏิบัติดีอย่างถูกต้องแล้วก็เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปในวันนั้นผลของการปฏิบัติจะเกิดมาจากหนึ่งการทําถูกต้องเคลื่อนเมื่อสิบ่จังหวะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุด 2. มีความต่อเนื่องเพราะบางทีนะ่ยมันจะมนะีสิ่งที่เชิญชวนยั่วยวนแล้วเราก็ออกจากฐานกรรมาฐานไปมากมายแล้วเกิน ขณะที่รู้สึกตัวอยู่ดีๆเดี๋ยวมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเช่นอาจจะมีบุคคลทำให้เราได้สนใจแล้วก็ออกไปทางตาบางทีอาจจะมีเสียงบางเสียงให้เราสนใจแล้วก็ออกไปทางหูแวบออกไปเลยบางทีจะมีกลิ่ น, นก็แวบออกไปทางกลิ่นบางทีก็จะมีความคิด อดีตอนาคตสุกุทุกๆมันก็ชวนเราแวบนะจริงเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นครนะูก็ให้เรามันก็ว่าได้ประสบการณ์ร่วมกันนะจาวนี้จะเป็นการเริ่มต้นสำหรับผู้ใหมนะ่ก็ขอให้ใชนะ้สถานที่ใช้โอกาสใช้เวลาช่วยโอกาสนะทั้งรูปแบบและเก็บตกให้สมกับศรัทธาที่เราได้เข้ามานั่งอยู่ที่นี้นะวัดป่าสุขโตนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงของห้าวันเจ็วัน จ้าทังเหมือนกับว่าเป้าหมายนะของการฝึกจิตของการพัฒนา จ, จิตนะเดินทางสู่การพุนทุกเนี่ยมันชัดเจนนะจนทางเรามั่นใจแล้วก็ท้ายสุดก็คือหยุดการแสวงหาต่อไปนะอะไรเห็นว่าสมคนก่เวลากาพะพร้อมกัน